สัตว์อื่นไม่ได้ทําเพื่อตนถ้าเพื่อตนเนี่ยนะเรียกว่าสกัทถะสกัทถะแปล ว, ว่าประโยชน์ตนเนี่ยสกะบวกอาาัถฐะเรียกว่าสกัทถะเนี่ยนะประโยชน์ตนคืออรหัตผลถ้าท่านต้องการประโยชน์ตนท่านจะเป็นองค์สุดท้ายในหมู่สาวกที่ที่เดินไปไปฉันที่เมืองอะไรนะอมรมาวดีใช่ไหมเมืองน่ยที่ชาวบ้านชาวชนบทเ้านิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันนะ่ยถ้าท่านปรารถนาท่านจะฟังไม่เกินสองมทัดเนี่ยนะท่านจะบรรลุแล้ว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 แต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทําทุกอย่างท่านปฏิบัติทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเกวโลกาลนุ ก, กัมปายะเนี่ยนะเกวโรเพื่ออนุเคราะห์หมายความว่ามีใจกรุณาต่อโลกประสงค์จะปลดเรื่องโลกให้พ้นจากความทุกข์เนีนะทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะเป็นต้น เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงประโยชน์คือพระนิพานเข้าถึงสิ่งที่เกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อความสุขคือสามัญญาผลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพราะนั้นเป็นการปฏิบัติของท่านนั้นปฏิบัติเพื่อเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้นิพานเพื่อให้สัตว์เข้าถึงอริยมรรคเพื่อให้ได้สามัญญผลเพื่อให้สัตว์พ้นจากวัตทุกโดยประการทั้งปวงอั น, นึ่งพระมหาบรุษนั้น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 เหมือนกับอะไรแล้วพวกวงการกีฬาก็สนใจกีฬาพวกวงการเมืองก็สนใจการเมืองพูดคําเดียวเท่านั้นแหละที่แล้วเขาพูดหมดนะนะพวกสนใจเนี่ยพวกนักทานพวกนักให้ทานก็เหมือนกันนีนน่ในการให้น้อมไปเพื่อที่จะให้มีความสุขที่จะให้จะให้ได้เมื่ อ, อไรให้ที่ไหนให้อย่างไรจะต้องให้แค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะชอบการให้เป็นอัธยาศัยอ่ะก็ก็บังกลุ่มเนีเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะเพราะบอกพูดเรื่องให้น ię, บอกเลยเมือ่อไหรก็ได้ที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้ห้ามคุยเรื่องอื่นนะ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 ไม่เบื่อหน่ายที่จะพูดเรื่องการให้สแสดงทำปฏิสังขยุดด้วยการให้แนะนำให้คนอื่นรู้จักให้ให้แล้วมันดียังนี้เนี่ยนะเรียกว่าเชียร์เรียกว่าเหมือนกับพวกเชียร์กีฬานันนะ่ะนี่เชียร์การให้บอกจะให้เมื่ อ, อไรให้อย่างไรเออดี ด, ดีมีแต่สนับสนุนมีแต่ส่งเสริมพูดถึงประโยชน์ของการให้เรามาเคยเห็นบางครอบครัวเนี่ยนะ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 เขาบอกบอกมันทําไมบอกมันก็ไม่อนุมโมทนาเหมืองัันเดี๋ยวมันจะบาปตั้งหากเหมือนกันนะเพราะฉนั้ น, น, น, นเราเป็นแม่บ้านก็หัดอนุมโมทนาเป็นซะบ้าง น, นนะไม่งั้นก็อะไรนะริวยสายนำหน้าก็เดือดร้อนแน่เะนั้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่กล่าวอานิสงค์เรียกว่าเชียร์เรื่องให้ขึ้นชื่อว่าการให้เมื่ อ, อไรแล้วก็โอโ้โหดีใจสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่จะให้พูดอนิสงค์ข้องการให้ก็ไม่เบื่อไม่หายเนี่ยนะยินดีที่จะแสดงถึงประโยชน์แห่งการให้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 เปื่อนคลนก็ผ้าคลุมหัวเพราะ ก, กลัวยุงกัดนะครับคลุมหน้าคลุมตาคลุมตัวไปแล้วก็ดูท้าเปื่อนคลโหนีแ่แสดงว่าคนนี้หากินบลางคืนก็พูดเลยคนนี้หากินกลางคื น, ค น, น, ก, น, ก, คนก็แปลว่านี้โจรฟังปั๊บโกรธเลยเนี่ยนะคนนี้โกรธดูที่ใครพูดกับเราโอ้เศรษฐีอุปถาพระพุทธเจ้าเศรษฐีเธธนี่ยคล้ายๆกับอนาถาบินทิกาอย่าเงเง้ยนะแต่ไม่ใช่พรนะพุทธเจ้าองค์นี้นะพระพุทธเจ้าองค์ก่อน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 โจรคนนี้ก็แอบพังรู้สิเศรษฐี จ, จะพูดอะไรพูดไม่ดีจะฆ่ามันเลยกันนี่ถ้าฆ่าได้มันคงมีความสุขที่สุดชีวิตนี้เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็เศรษฐีพอทําบุญถวายแก่พระพุทธเจ้าก็เล่าความหลังถวายพุทธเจ้าทั้งหมดแสก็เล่าบอกว่าขอยกบุญที่ทํากุฏิอันนี้ให้แกคนนั้นะก่อนขอยกให้คนนั้นก่อนโอ้โยคนนี้เตรียมมีดจะไปฆ่าเศรษฐีอยู่แล้วก็เลยบอกว่าถ้าเราเรานี่เลวสุดๆนะเนี่ยถ้าเราไม่ให้คนดีขนาดนี้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 พรอเรารักษาศีลแท้เราก็เลยทำมาหากินไวทันคนอื่นเป็นต้นเ น, นะ <c oughs> คือคือห ล, ลายเรื่องเนี่ยก็บน่นบ่นกุศลธรรมแต่ไม่เคยตําหนิว่าเพราะโง่แท้ๆเนี่ยนะเพราะโลภะแท้ๆมันทำให้เราเสียหายขนาดนี้เพราะโทสะแท้ๆมันทําให้เราเดือดร้อนขนาดนี้เพราะโมหะแท้ๆไม่เคยโทษอกุศลเลยหันกลับไปโทษแต่กุศลเครียกว่าอะไรนะเมตตาเกินประมาณจะ ก, ก่อความรําคาญไม่สิ้นสุดที่จริงอ่ะไม่ใช่เมตตาแต่เพราะความโง่สิ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 ผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้เนี่ยจะให้วัตถุภายนอกก็ให้ได้ให้อาภัยก็ให้ได้ให้ได้ทุกอย่างแต่แล้วถามว่ายอมให้คนอื่นเขาหลอกไหมคนที่มีอัธยาศัยในทานเนี่ยนะไม่โง่นะไม่ไม่โง่ถ้าท่านโง่อย่างนั้นเนี่ยอ้าวก็เห็นอะไรก็ทําไมเกิดมาก็กระโดดให้สัตว์อื่นกินไปเลยไงนะ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 อันนีอเราวางกว่ายากที่จะแนะนําไปทางอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลและว่า ง, ง่ายคําว่าผู้ที่ยินดีว่า ง, ง่ายก็คือรับโอวาทแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ให้โอวาทโดยสามัญญาสำนึกก็บอกว่าเหมือนกันเลยเนาะโอ้นั่นอะ่ะเงินของคุณตกอยู่ตรงนั้นน่ยนะถามว่าขอบคุณคนบอกไหมนั่นแหละลักษณะนั้นคือเรียกว่าขอบคุณคนที่ชี้ขุมทรัพย์ฉันนั้นเนี่ยนะก็ยินดีอะไรที่เป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นคนว่า ง, ง่าย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 คุณสมบัติของคนอ่อนโยนเป็นไงก็ไม่หยาบกระด้างกันแล้วกันอย่างั้นอ่อนโยนก็คือตรงกันข้ามกับมันกระด้างอ่ะนะแต่ถ้าหากสังเกตบางคนเนี่ยก็นิสัยอ่อนโยนมากบางคนก็หยาบกระด้างขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่ดูหมิ่นท่านบางคนเนี่ยวันๆหนึ่ง น, นะบอกว่าพูดถึงแต่ความเลวร้ายของคนอื่นแล้วคนนั้นจะดีแค่ไหน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 เสี้ยนข้อที่สองว่าไงเป็นคนที่ไม่ถือเอาของคนอื่นโดยที่สุดแม้แต่เส้นญ้าเรียกว่าขโมยเส้นหญ้ายัางไม่เอาเลยเมื่อคนอื่นลืมของเอาไว้ในที่อยู่ของตนก็บอกให้เขารู้แล้วก็มอบให้โดยไม่เอาของคนอื่นเก็บเอาไว้นะนะเออนี่ของของท่านนะท่านลืมเอาไว้เอาไปเอาคืนไปเนี่ยน ะ, ะบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเลนะ ของคนอื่นเขาลืมไว้ก็ เ, เก็บรักษาให้อย่างดีคอ ย, อย็รียกบางทีเขาแทบจะส่งตามไปเลย น, น, นี่ของของท่านนะท่านลืมเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นเจ๊งๆไม่เอาของผู้ใดเลยของของผู้ใดก็จงเป็นของของผู้นั้นเถอเนี่ยนะขอใหอ้มีสมบัติอันยืนยาวเนี่ยนะขอให้เจริญด้วยพวกขสมบัติมันจึงเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่โลภไม่ใช่เห็นของใครแล้วก็น้อมมาเป็นของตนไปหมดก็ไม่ใช่เนี่ยนะแม้แต่จิตที่คิดเป็นบาป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 หญิงที่ไม่ว่าจะหญิงนั้นเป็นผู้ที่มีคู่ครองแล้วหรือหญิงที่บิดามารดาเป็นต้นตกปกักรักษาก็ไม่ทำลายโดยประการทั้งปวงจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทำลายผู้อื่นโดยประการทั้งปวงเนยนะเพราะทำลายผู้อื่นก็คือทำลายตนนั่นแหละขณะเดียวกันเป็นคนที่พูดจริงนะพูดจริงไว้ใจได้คำพูดทุกคำเนี่ยถ้าคนนั้นพูดแปล ว, ว่า ยืนยันได้เสมอว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแน่นอนแล้วเขาไม่หลอกหลอกเป็นต้นเรียกว่าไว้ใจได้เป็นคําพูดที่ไว้ใจได้ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมคือสมานคนที่แตกกันไม่ส่อเสียดเนี่ยนะคันคำพูดทุกคําที่เขาพูดจะไม่เป็นไปเพื่ออะไรนะมันราอ้หน่อยหนึ่งก็เป็นลักษณะประเภทเอาอะไรไปไปสมานให้มันอย่าแตกกันไม่ใช่ไปไปเร้าหน่อยหนึ่งงัดแงะใหญ่เลย นนะมีอะไรที่เขางัดแล้วก็ ắt, งัดแง่แ ง, ง่อยู่นั่นแหละจนร้าวนิดเดียวบางทีสักไปช่วยซะร้าวใหญ่โตเลยนะไม่ใช่อย่างนั้น น, นะมันเห็นช่องรอยร้าวนิดๆหน่อยๆก็ช่วยประสานช่วยสมานที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้คือคำไม่ไม่ปิดสุนาวาจาคือไม่ส่อเสียดขณะเดียวกันก็เพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้หมายคาอว่าถ้าเขาสมัารสมาธีปรองดองกันแล้วควรจะเพิ่มเติมด้วยประโยชน์อันใด ก็น้องประโยชน์เหล่านั้นเพิ่มเติมให้พูดไม่ยากพือพูดจานน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสคําพูดก็พูดแบบคนน่ารักพูดยิ้มแย้มแจ่มใสซแบบทั่วๆไปว่าอย่างนางแกบอกยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดไม่ใช่โอ้โหด่าซะเรียบร้อยแล้วก็เออสบายใจแล้วก็ยิ้มยังไงไม่ใช่เป็นคนที่ไม่พูดเพลเยอก็คือพูดเป็นอัดพูดเป็นธรมพูดเป็นอัดแล้วก็พูดเป็นธรรม พูดเป็นอัตก็คือพูดเป็นประโยชน์พูดเป็นเหตุพูดเป็นผลอันนพูดเป็นกุศลอกุศลให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นผลที่จะได้รับมาเป็นความสุขผลที่จะได้รับเป็นความทุพพูดทุกคําเป็นคําพูดที่มีประโยชน์แล้วก็อนัพิชามีความไม่อยากได้หรือมีมุ่งกําจัดความโลภโดยส่วนเดียวเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติมุ่งกําจัดความโลภอภพยบาทมีใจมุ่งกําจัด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 แม้กระทั่งรู้คุณของพระตถ า, าคตอราหารันตสัมมาสามัมพุทธเจ้ารู้คุณของพระรัตนะไตรรู้กรรมสกตารู้ความที่สัตวมต์มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมสกตาแล้วก็มีสัจจานุโลมิมกฉาอยางมีความรู้ความเห็นที่สอดคล้องต่ออริยสัตว์ทั้งหลายก็เป็นคนที่มีคุณธรรมคือกตันญูกะตะเวทีรู้อุปการะคุณที่คนอื่น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 ขณะเดียวกันก็ยังช่วยแนะนำบอกกล่าวคนอื่นในการกระทา